6. มหากัจจายนะสูตรว่าด้วยมหากัจจายนะ 26. ่สณที่นั้นและท่านพระมหากัจจัยนะเรียกภิกษุทั้งหลายมากราวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหากัจจยนะจึงได้กล่าวดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจริงไม่เคยปรากฏ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบได้ตรัสรู้วิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบคืออนุสติฐานหกประการเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโซกกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรุญยญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานอนุสติฐานหกประการอะไรบ้างคือหนึ่งอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้ระลึกถึงพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค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 เป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกำหนัดคำว่ากำหนัดนี้เป็นชื่อของกรรมคุณห้าอริยสาวกนั้นแลมีจิตเสมออากาศอันไพูรณ์เป็นมหคัตตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่โดยประการทั้งปวงผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้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 อันไพบณ์เป็นมหคัตตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่โดยประการทั้งปวงผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้ทำสังคานุสตินี้ให้เป็นอารมย่ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดาอย่างนี้แลสี่ อริยาสาวกระลึกถึงศีลของตนที่ไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิสมัยใดอริยาสาวกระลึกถึงศีลของตนสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมย่อมเป็นจิตที่ดําเนินไปตรงทีเดียว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 สัตว์บางพวกในโลกนี้ทำศีลานุสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดาอย่างนี้แลห้าอริยสาวกระลึกถึงจาคะของตนว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนสมัยใด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 หอริยาสาวกระลึกถึงเทวดาว่ามีเทวดาชั้นจตุมหาราชเทวดาชั้นสูงไปกว่านั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบได้ศรัทธาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วจะไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีศรัทธาเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบได้ศีลเช่นใดสุตตะจาคะ และปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคากลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความกาหนัดคํำว่ากาหนัดนี้เป็นชื่อของกรรมคุณห้า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 ผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบได้ตรัสรู้วิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบคืออนุสติฐานหกประการ น, นี้เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยยัตธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานมหากัจจยนะสูตรที่หกจบ